วิธีเจริญสมาธิภาวนาวิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวทางการสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลมีดังต่อไปนี้หนึ่งเริ่มต้นด้วยอริยบทที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวก ทำความรู้ตัวเต็มที่และรู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียวรักษาจิตเชมนี้ไว้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอย่าบังคับ อย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากากมเมื่อรักษาได้สักครู่จิตจะคิดแสบไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทันก่อนเป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อเมื่อจิตเล่นไปคิดไปตามอารมณ์นั้นๆ จนอินแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้นครั้งเผลอรักษาไม่ดีพอจิตก็จะแล่นไปสเสวยอารมณ์ข้างนอกอีกจนอิ่มแล้วก็จะกลับ รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณาและรักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ใน่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตได้และบรรลุสมาธิในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในพืชแห่งจิต โดยไม่ต้องปรึกษาหาหรือใครข้อห้ามในเวลาจิตฟุ้งเกิมที่อย่าทำเพราะไม่มีประโยชน์และยังทำให้บัณทนพลังความเพียรไม่มีกำลังใจในการเจริญจิตครั้งต่อไปในกรณีที่ไม่สามารถทำเส่นีได้ ให้ลองนึกคำว่าพุโทโธหรือคำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเหตุเย้ยยวนหรือเป็นเหตุขัดเคืองใจนึกไปเรื่อยๆและสังเกต ด, ดูว่าคำที่นึกนั้นชัดที่สุดที่ตรงไหนที่ตรงนั้นแหละคือฐานแห่งจิต เึงสังเกตว่าฐานนี้ไม่อยู่คงที่ตลอดการบางวันอยู่ที่หนึ่งบางวันอยู่อีกที่หนึ่งฐานแห่งจิตที่คํหนึ่งพุโทโธปรากฏชัดที่สุดนี้ย่อมไม่อยู่ภายนอกกายแน่นอนต้องอยู่ภายในกายแน่ แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าฐานนี้จะว่าอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่ถูกดังนั้นจะว่าอยู่ภายนอกก็ไม่ใช่จะว่าอยู่ภายในก็ไม่เชิงเมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าได้กำหนดถูกฐานแห่งจิตแล้ว เมื่อกำหนดถูกและพุโทโธปรากฏในมโนนึกชัดเจนดีก็ให้กำหนดนึกไปเรื่อยอย่าให้ขาดสายได้ถ้าขาดสายเมื่อใดจิตก็จะแล่นไปสู่อารมณ์ทันทีเมื่อสวยอารมณ์อิ่มแล้วจึงจะรู้สึกตัวเอง ก็ค่อยๆนึกพุดโทต่อไปโดยอุบายวิธีในทำนองเดียวกับที่กล่าวไปเบื้องตน้นในที่สุดก็จะค่อยๆ ค, ควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้เองข้อควรจำในการกำหนดจิตนั้นต้องมีเจตจำนงแน่วแน่ในอันที่จะเจริญจิตให้อยู่ในภาวะที่ต้องการ เจตจำนงนี้คือตัวศีลการบริกรรมพุทธโธเปล่าๆโดยไร้เจตจำนงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับเป็นเครื่องบงันทอนความเพียรทำลายกำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆไปแต่ถ้าเจตจำนงมั่นคงการเจริญจิตจะปรากฏผลทุกครั้ง ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนดังนั้นในการนึกพุทธโธการเพ่งเล็งสอดส่องถึงความชัดเจนและความไม่ขาดสายของพุทธโธจะต้องเป็นไปด้วยความไม่ลดละเจตจำนงที่มีอยู่อย่างไม่ลดละนี้หลวงปู่เคยเปรียบไว้ว่า มีลักษณะปันหนึ่งบุลุษผู้หนึ่งจดจ้องสายตาอยู่ที่คมดาบที่ข้าวึิเนื้อขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะฟันลงมาบุลุษผู้นั้นจดจ้องคอยทีอยู่ว่าถ้าคมดาบนั้นฟาดลงมาตนจะหลบหนีประการใดจึงจะพ้นอันตรายเจตจนงต้องแน่วแน่สินปานนี้ จึงจะยังสมาธิให้บังเกิดได้ไม่เช่นนั้นอย่าทำให้เสียเวลาและบั่นทอนความศรัทธาของตนเองเลยเมื่อจิตค่อยๆอย่างลงสู่ความสงบทีละน้อยทีละน้อยอาการที่จิตแล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกก็ค่อยๆลดความรุนแรงลง ถึงไปก็ไปประเดียวประดาวก็รู้สึกตัวได้เร็วถึงตอนนี้ทาบริกรรมพุทโธก็จะขาดเองเพราะคาบริกรรมนั้นเป็นอารมณ์อยากเมื่อจิตล่วงพ้นอารมณ์ยากและคาบริกรรมขาดไปแล้วไม่ต้องย้อนถอยมาบริกรรมอีกเพียงรักษาจิตไว้ในฐานที่กำหนดเดิม ไปเรื่อยๆและสังเกตดูความรู้สึกและพฤ้นแห่งจิตที่ฐานนั้นๆบริกรรมเพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธสองดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้วให้สติจัดจ่อ อยู่ที่ฐานเดิมเช่นนั้นเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ละอารมณ์นั้นทิ้งไปมาดูที่จิตต่อไปอีกไม่ต้องกังวลใจพยายามบัคคับประคองรักาษาจิตอยู่ในฐานที่ตั้งเสมอเสมอสติคอยกำหนดควบคุมอยู่อย่างเงียบๆรู้อยู่ ไม่ต้องวิจารณ์กิริยาจิตใดๆที่เกิดขึ้นเพียงกำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้นเป็นไปเช่นนี้เรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจกิริยาหรือพุทธแห่งจิตได้เองทำความเข้าใจในอารมณ์ความนึกคิดสังเกตอารมณ์ทั้งสาม คือราคะโทสะโมหะ 3. อย่าส่งจิตออกนอกกำหนดรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นอย่าให้สัสายไปในอารมณ์ภายนอกเมื่อจิตเผลอคิดไปก็ให้ตั้งสติและรืกอถึงฐานกำหนดเดิม รักษาสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่เสมอระวังจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องภายนอกสังเกตการวันไหวของจิตการมาลมที่รับมาทางอายตนะหกสี่จงทำยานให้เห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปเมื่อเราสังเกตรกิริยาจิตไปเรื่อยๆ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 อยู่ที่ฐานกำหนดเดิมนั่นเองการเห็นเช่นนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาจากสุขคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดหแยกรูปถอดด้วยวิชามักจิต เมื่อสามารถเข้าใจได้ว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้วให้ดูที่จิตต่อไปว่ายังมีอะไรลงเหลืออยู่ที่ฐานที่กาหนดจิตอีกหรือไม่พยายามใช้สติสังเกตดูที่จิตทำความสงบอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนสามารถเข้าใจพื้นแห่งจิต ได้อย่างละเอียดละออตามขั้นตอนเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลกันว่าเกิดจากความคิดนั่นเองและความคิดมันออกไปจากจิตนี้ได้เองไปหาปรุงหาแต่งหาก่อหาเกิดไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเครื่องมายาหลอกลวงให้คนหลง แล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่มีอยู่ในจิตไปเรื่อยๆจนหมดหมายถึงเจริญจิตจนสามารถเพิกรูปปรมามนูวิญญาณที่เล็กที่สุดภายในจิตได้คำว่าแยกรูปถอดนั้นหมายความถึงแยกรูปวิญญาณนั่นเอง 6. เหตุต้องละผลต้องละ เมื่อจเจริญจิตจนปากจะจากความคิดปูงแต่งได้แล้วว่างก็ไม่ต้องอิงอาศัยกับกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลใดๆทั้งสิ้นจิตก็จะอยู่เหนือภาวะแห่งครองความคิดนึกต่างๆอยู่เป็นอิสระออกจากสิ่งใดๆครอบงำอำพรางทั้งสิ้นเรียกว่าสมุดเฉดธรรมทั้งปวง เจ็ดใช้นี่ก็หมดผลเหตุเกิดเมื่อเพิ่มรูปประมนูที่เล็กที่สุดเจยได้กรมชั่วที่ประทับบัจจุบันทึกภาพถ่ายติดอยู่กับรูปปรามนูนั้นก็หมดโอกาสที่จะให้ผลต่อไปในเบื้องหน้าการเพิ่มนี่ก็เป็นอันสดุดจุดลง เหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบก็เป็นสักแต่ว่ามากระทบไม่มีผลสืบเนื่องต่อไปนี่กรรมชั่วที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ชาติแรกก็เป็นอันได้รับชดใช้หมดสิน้นหมดเรื่องหมดราวหมดพันธะถูกพันที่จะต้องเกิดมาใช้นี่กรรมกันอีกเพราะกรรมชั่ว อันเป็นเหตุให้เกิดไม่อาจให้ผลต่อไปได้เรียกว่าผ้เหตุเกิดแผู้ที่จต่สรู้แล้วเขาไม่พูดหลอกว่าเขารู้อะไรเมื่อทำทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าทำจะเป็นธรรมไปได้อย่างไรสิ่งที่ว่าไม่มีธรรมนั่นแหล มันเป็นธรรมของมันในตัวผู้รู้นะจิงแต่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายนั้นไม่จริงเมื่อจิตว่างจากพืกต่างๆแล้วจิตก็จะถึงความว่างที่แท้จริงไม่มีอะไรให้สังเกตอีกต่อไปจึงทราบได้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันรวมอยู่กับความว่าง ในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณซึมซาบอยู่ในสิ่งทุกๆสิ่งและจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันและเป็นความว่างก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะให้อะไรหรือให้ใครรู้ถึงไม่มีความเป็นอะไรจะไปสู่ภาวะของอะไรไม่มีสภาวะของใครจะไปรู้ ความมีความเป็นของอะไรเมื่อเจริญจิตจนเข้าถึงภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ้งแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสภาวะสมบัติบัญญตัตทั้งปวงเหนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูดและผลไปจากการกล่าวอ้างใดๆทั้งสิน้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่าง รวมกันเข้ากับความว่างอันโดยสุดแดะสว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพานโดยปกติคำสอนธรรมะของหลวงปู่ดูลอตุโลนั้นเป็นแบบปิศาธรรมไม่ใช่เป็นการบรรยายธรรมฉะนั้นคำสอนของท่านจึงสั้นจํากัดในความหมายของธรรมเพื่อไม่ให้เฟื่องหรือฟุ่งเฟือยมากนะัก พอจะทําให้สับสนเมื่อผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขอย้ำเข้าใจได้เองว่ากิริยาอาการของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลายอย่างยากที่จะอธิบายให้ได้หมดด้วยเหตุ น, นั้นหลวงปู่ท่านจึงใช้คําว่าพฤติของจิตแทนกิริยาทั้งหลายเหล่านั้นคําว่าดูจิตอย่าส่งจิตออกนอก ทำสัญญาณให้เห็นจิตเหล่านี้ย่อมมีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดตลอดองค์ภาวนาแต่เพื่ออธิบายให้เห็นเป็นขั้นตอนจึงจัดเรียงให้ดูง่ายเข้าใจง่ายทั้งหมดหาได้จัดเรียงไปตามลำดับกระแสการเจริญจิตแต่อย่างใดไม่ท่านผู้มีจิตศรัทธาในทางปฏิบัติเมื่อเจริญจิตภาวนาตามคําสอนแล้ว ตามธรรมดาการปฏิบัติในแนวทางนี้ผู้ปฏิบัติจะค่อยๆมีความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเองเป็นลำดับกำดับไปเพราะมีการใส่ใจสังเกตและกำหนดตัวรู้พฤุดแห่งจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติควรรีบเข้าหาคูบาอาจารย์ฝ่ายปัชนาธุระโดยเร็วหากประมา แล้วอาจเกิดผิดพลาดเป็นปัญหาตามมาภายหลังเพราะคำว่ามรฏิปัานั้นจะต้องอยู่ในมรกคจิตเท่านั้นม่ใช่มรกภายนอกต่างๆงานานาเลยการเจริญจิตเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกนั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยวิสุทธิศีลวิสุทธิมรติพร้อมทั้งสามทวารคือกายวาจาใจ จึงจะยังกิจให้ลุ่ร่วงถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหตุตุกจิตสามประการหนึ่งปัญจทาวารวัชนะจิตคือกริยาจิตที่แสงอยู่ตามอายตนะหรือทาวารทั้งห้ามีดังนี้ตา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 คือการได้กลิ่นจะห้ามไม่ให้จมูกรับกลิ่นไม่ได้ลิ้นไปกระทบกับรสเกิดชิวหาวิญญาณคือการได้รสจะห้ามไม่ให้หลิ้นรับรู้รสไม่ได้กายไปกระทบกับโผฏฐาพเกิดกายวิญญาณคือกายสัมผัสจะห้ามไม่ให้กายรับสัมผัสไม่ได้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 เราจะห้ามไม่ให้เกิดมีเป็นเช่นนั้นย่อมกระทําไม่ได้การป้องกันทุกข์ที่จะเกิดจากภาวานาทั้งห้านั้นเราจะต้องสำรวมอินทรีย์ทั้งห้าไม่เพื่อเพลินในอายตนะเหล่านั้นหากจํำเป็นต้องอาศัยอายตนะทั้งห้านั้นประกอบการงานทางกายก็ควรจะกําหนดจิตให้ตั้งอยู่ในจิตเช่นเมื่อเห็น ก็สักแต่ว่าเห็นไม่คิดปรุงแต่งได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่คิดปรุงดังนี้เป็นต้นไม่คิดปรุงหมายความว่าไม่ให้จิตเองเยียงไปในความเห็นดีชั่วสองมโนทวารวชณะจิตคือ กริยาจิต ท, ที่แสงอยู่ที่มโนทวารมีหน้าที่ผลิตความไม่คิดต่างๆนาน า, นาคอยรับเหตุการณ์ภายในภายนอกที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมมาไว้จะห้ามจิตไม่ให้คิดในทุกๆกรณีย่อมไม่ได้แต่ก็ว่าเมื่อจิตคิดปุุงไปเรื่องราวใดๆสิ่งวัตถุสิ่งของบุคคลอย่างไร ก็ให้กำหนดรู้ว่าจิตคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็จกักแต่ว่าคิดไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาไม่ยึดถือจารความคิดเหล่านั้นทําความเห็นให้เป็นปกติไม่ยึดถือความเห็นใดๆทั้งสิน้นจิตย่อมไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นทุกข์สาม อาิตุบบาส ค, คือกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปัจจากเจตนาที่จะยิ้มหมายความว่าไม่อยากยิ้มมันก็ยิ้มของมันเองกิริยาจิตอันนี้มีเฉพาะเหล่าพระอริยะเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มีสำหรับข้อหนึ่งข้อสองมีเท่ากันในพระอริยะเจ้าและในสามัญชน นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อตั้งใจปฏิบัติตนออกจากกองทุกข์ควรพิจารณาอาเหตุกิจิตนี้ให้เข้าใจด้วยเพื่อความไม่ผิดพลาดในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอหิเหกิจิตนี้นักปฏิบัติทั้งหลายควรทํำคเข้าใจให้ได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะพยายามบังคับสังขารไปหมด ซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมมากเพราะความไม่เข้าใจในอหิแตกจิตข้อหนึ่งและสองนี้เองอหิแตกจิตข้อสามเป็นกิริยาจิตที่ยิ้มเองโดยปสัสกาจิตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเราพระอริยะเจ้าเท่านั้นในสามัญชนไม่มีพอกิริยาจิตนี้เป็นผล